ดูก่อนอาจารย์ผู้โจทย์เจวเทยยาสิผิว่าท่านจะมีคำเสียดเข้ามาอีกเล่าว่ายัสมาคยโตปัฏฐานะพิญโยปวตินามโหติตัสมานิพานาภาวะโตนโทโสอาการที่สิ้นกิเลสเป็นปัจฉิมที่สุดราคาที่กิเลสมิได้ประพฤติเป็นไปในเบื้องหน้าอีกแล้วนั่นแหละ เราเห็นว่าเป็นนิพพานแท้ไม่ผิดเลยในที่อันนี้พิจารณาเห็นโดยอัตโนมัตยาธิบายว่าฝ่ายผู้โจท์นั้นถือลทัทธิว่ากิเลส ท, ที่สิ้นไปจากสันดานเป็นวิขมพนาประหารด้วยอำนาจชานั้นแม้ว่าสิ้นไปไมิได้เป็นสมุเทเฉตสิ้นมิได้ขาดไปอีกเป็นห้าสิปีห0สิปีไป1 2หนึ่งสองสามสี่ชาติ จึงเป็นสมุเทเฉตก็ดีถ้ากิเลสนั้นระ ง, งับอยู่ได้ด้วยอำนาจชานั้นไม่กลับคืนมาเกิดอีกเป็นแท้แล้วถึงสิ้นไปยังมิได้เป็นสมุเทเฉตก็อาจจะเรียกว่านิพานได้พิจารณาเห็นโดยอัตโนมัติยาทิบายชนี้เหตุดังนั้นจึงมีคำวิสัชนาว่านายุตตังคำของท่านซึ่งกล่าวเสียเข้ามาชนี้ อย่างม่ได้ยุติสมควรก่อนเพราะว่าอาการที่สิ้นกิเลสอันเป็นปัจฉิมที่สุดทั้งปวงเห็นปานดังนั้นจะได้เป็นอารมณ์แห่งพระอริยมรรคอริยผลหามิได้และทำอันใดมีนามบัญญัติชื่อว่าพระนิพพานนั้นประสงเอาซึ่งธรรมอันเป็นอารมณ์แห่งพระอริยมรรคอริยผลต่างหาก อาการที่สิ้นกิเลสเป็นปัดชิมที่สุดทั้งปวงเห็นปานดังนั้นมิได้เป็นอารมณ์แห่งพระอริยมรรคอริยผลได้อาศัยเหตุชะนี้ที่จะเรียกชื่อว่านิพานนั้นมิได้สมควรกินจาปิพินโยดูก่อนอาจารย์ผู้โจทย์ข้อซึ่งท่านจะมาถือละทีว่าอาการที่สิ้นกิเลสอันเป็นปัดชิมที่สุดทั้งปวงเป็นนิพานนั้น มีข้อผิดเป็นอันมากคือพระนิพพานนั้นจะถึงซึ่งภาวะเป็นกามาพจรและเป็นสังคตะลักษณะเป็นต้นโดยนัยยะที่สัมแดงมาแล้วแต่หลังเพราะว่าบุคคลยังไม่ได้สําเร็จพระนิพพานและสิ้นกิเลสด้วยอํานาจฌานเป็นวิคกขปณะปะานสิ้นไปช้านานสองสามชาติแล้วจึงได้สําเร็จพระอรหันต์ผลสรู้พระนิพพานธรรมนั้นมีอยู่แท้จริง บุคคลที่เป็นกุลระบุตรมีบุญญาพิสมพานอันแก่กล้าพิจารณาเห็นโทษแห่งกามาคุณแล้วมาลาเสียซึ่งครวาดออกทรงบรรพชาจำเริญชาสมาบัติอันเป็นโลกีข่มขี่เสียซึ่งราคากิเลส ด, ด้วยอำนาจชาญอปริฮีนาชาโนมีชาญมิได้เสื่อมได้คลายกาลังกตว่าครั้นทำลายเบญจคันแล้ว ได้ขึ้นไปอุบัติบังเกิดในโพรหมโลกยาวาตายุกลางทัตตวาตั้งอยู่ในโพรหมโลกนั้นตราบเท่ากำหนดสิ้นอายุแล้วจุติลงมาบังเกิดในมนุษยสยโลกก็เป็นสัตว์อันบริสุทธิ์มีได้ยินดีในกิเลสกรรมและพัสดุกรรมลาเสียซึ่งครวาตออกทรงบรรพชาในพระศาสนา ได้บรรลุถึงพระอรหัดตรัสรู้ซึ่งพระนิพพานธรรมในปัจฉิมชาติที่สุดเหมือนดังปิดผลิมานกคือองค์พระมหาอริยกสปะและพระนางพัฒกาปิลานีมหาเทรีฉนั้นตกว่าสิ้นกิเลสมีราคาเป็นต้นด้วยอำนาจชานอันเป็นวิคำพณนะประหารอยู่แต่ก่อนหน้าที่ยังมิได้พระนิพพานนั้นถึงสองสามชาต เป็นดังนี้ก็มีและกุลบุตรที่มีอุปจิตตสมภารบางจำพวกนั้นเล่าตั้งแต่ปฐมวัยเน้อยอยู่ก็เห็นโทษในคารวาดเหนื่อยนายจากคราวาดออกทรงบรรพชาในพระศาสนาเจริญฌานสมบัติได้สำเร็จฌานอันเป็นโลกีสิ้นราคาที่กิเลสเป็นวิขำพนัประหารยับยั้งอยู่สิ้นการช้านานตราบเท่าย่างเข้าปัจฉิมวัย จึงบรรลุพระอระหัตตรัสรู้พระนิพพานธรรมในปัจฉิมวัยตกว่าสิ้นราคากิเลสอยู่แต่ก่อนหน้าอย่างมิได้พระนิพพานนั้นตั้งแต่ปฐมวัยนั้นมาตราบเท่าถึงมัชิมะวัยเป็นอย่างนี้ก็มีและบุคคลที่สิ้นราคาที่กิเลสด้วยอานาจฌานเห็นปานดังนี้จะได้ชื่อว่าถึงพระนิพพานหาไม่ได้ กิเลที่สิ้นไปด้วยอำนาจชา น, นั้นสิ้นไม่ได้ขาดถ้าแมนประสบพบปะอารมณ์อันใดอันหนึ่งอันควรจะพึงกำหนดเป็นอาทินั้นแล้วกิเลสนั้นก็จะกลับคืนมาเกิดอีกต่อไปได้เหตุใดเหตุว่าปัญญาอันสัมปะยุทธ์ด้วยฌานมีปฐมฌานเป็นอาทินั้นมีส ม, มุตสัตเป็นอารมณ์มีอาจจะละ ก, กิเลสให้เป็นสมุเทเฉทปะหารได้ เหตุชนีจึงเห็นว่าสภาวะสิ้นกิเลสด้วยอำนาจชา น, นั้นถ้าแม้จะจัดเอาเป็นนิพพานแล้วพระนิพพานก็จะจัดเป็นกามาพรจรและเป็นสังคตะละนะักษณะประกอบด้วยโทษต่างๆดังพนานามาตลังซึ่งจะอาศัยอ้างเอาพระบาลีที่แสดงพระอริยมรรคคือขโยนิพพานังเป็นอาธิชนีแล้วและเห็นว่า ปัญญาที่กระทำให้สิ้นราคะที่กิเลสเป็นสมุทเฉทประหารนั่นแหละได้ชื่อว่านิพานนั้นถ้าจะว่าอย่างนั้นแล้วก็จะต้องเอาพระอริยมรรคทั้งสี่มีพระโสดาปติมรรคเป็นอาทินั้นกลับขึ้นเป็นพระนิพาน <c oughs> ก็จะผิดที่ผิดฐานไม่ต้องด้วยบทอันพระอริยมรรกกับพระนิพานนั้นจะได้เป็นธรรมอันเดียวกันหาไม่ได้ บัณฑิตพึงสันนิฐานเถิดว่าสัมมาหาแต่พระอริยมรรคและจะกลับเอาขึ้นเป็นพระนิพพานสิยังว่าผิดจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงจะเอาการที่สิ้นราคะโทสะโมหะมาเป็นนิพพานนั้นเล่าข้อซึ่งอาจารย์พูดโจทย์ถือละที่ว่าอาการที่สิ้นไปแห่งราคะโทสะโมหะเป็นนิพพานนั้นเป็นละที่อันผิด เปรียบเนื้อความเหมือนบุคคลหายโรคด้วยยาเห็นในว่าอาการที่หายโรคนี่แหละเป็นยาสัมภาระทั้งหลายเป็นต้นว่าตรีกั ก, กุและตรีพลาที่แพทย์เอามาให้กินให้ทานนั้นจะได้เป็นยาหาไม่ได้บุคคลเอาถือเอาว่าอาการที่หายโรคนั้นเป็นยาได้ชื่อว่าถือผิดแท้และมีชั้นใด ลทัทธิผู้โจทย์ถือว่าอาการที่สิ้นราคะโทสะโมหะเป็นนิพพานนั้นก็ได้ชื่อว่าถือผิดแท้มีอุปมาอีกดังนั้นเหตุดังนี้บัณฑิตผู้มีวิจาระปัญญาพึงพิจารณาให้เห็นแจ้งว่าราคะที่กิเลส ท, ที่สิ้นไปเป็นสมุทเฉดเป็นอนุปฏินิโรธไขนั้นจะว่าสิ้นไปด้วยพระอริยมรรสสิ่งเดียวก็ว่ามิได้ จะว่าสิ้นไปด้วยพระนิพพานสิ่งเดียวก็ว่ามิได้ตกว่าพระนิพพานสิ่งเดียวเป็นที่อาศัยแห่งอริยมรรคแพทย์อนวิเศษกล่าวคืออริยมรรั้นเมื่อได้อสถอันเลิศกล่าวคือพระนิพพานยึดหน่วงเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์ได้แล้วก็ยังโรคาพยาธิอาพาธทั้งปวงให้ถึงซึ่งอันตรธานสูญหายกล่าวคือ บำบัด ร, ราคาโทสะโมหกิเลสทั้งปวงให้สิ้นศูนย์ไปเป็นอนุ ป, ปฏตินิโรธาไข <c oughs> ก็เมื่อพระอริยมรรคกับพระนิพพานกระทมให้กิเลสสูญไปเป็นอนุ ป, ปฏินิโรธาไขเห็นปานชนีและมีได้เห็นว่าธรรมที่เป็นอารามณปัจจัยแห่งพระอริยมรรคนั้นเป็นนิพพาน และอาการที่สิ้นไปแห่งราคะโทสะโมหะที่ไม่ได้เป็นอารมณ์แห่งพระอริยมรรคที่มิใช่พระนิพพานนั้นกลับเห็นว่าเป็นพระนิพพานอีกเล่าเห็นไปในที่อันผิดชนี้มิได้สมควรพึงเข้าใจเป็นใจความเถิดว่าขยาศัพท์ที่มีในบทว่าราคะขยโยโทสะขยโยโมหะขโยนั้น บางคาบก็แปลว่าพระอริยมักบางคาบก็แปลว่านิพพานเป็นเหตุที่แปลได้สองสถานอยู่ชนีพระบาลีว่าราคัตคโยโทสัทคโยโมหคโยนั้นท่านจึงแสดงเป็นชื่อแห่งพระอรหันต์ในสูตรบางแห่งแสดงเป็นชื่อแห่งพระนิพพานในสูตรบางแห่งเป็นชื่อแห่งพระอาริยมัก และขยะสาบนี้เมื่อแปลเป็นอธิบายว่าพระอริยมรรคนั้นแปลได้โดยเหตุเพราะว่าพระอริยมรรคนั้นเป็นเหตุให้สิ้นกิเลสเป็นสมุเทเฉทประหารเมื่อแปลว่านิพานนั้นแปลได้โดยพลูปจารย์อธิบายว่ายกขึ้นซึ่งผลซึ่งผลนั้นได้แก่อนุปฏินิโรธาไข สภาวะสิ้นกิเลสไปเป็นอนุปฏตตินิโรธกิเลสดับศูญย์ขาดจากสันดานมิได้บังเกิดสืบต่อไปในเบื้องหน้านั่นแหละเป็นผลแห่งพระนิพพานพระนิพพานนั้นเป็นเหตุพระนิพพานนั้นถึงซึ่งสภาวะควรจะกล่าวว่าเป็นอุปนิสัยแห่งอนุปฏตตินิโรธไขแต่ว่าจะเป็นอุปนิสัยแท้หาไม่ได้ ด้วยปริยายและข้อซึ่งว่าขยาสัพแปลว่านิพพานได้โดยพลูปจานนั้นเหมือนด้วยอุทาหนว่าเสมหะคุโลเป็นอาทิชนีในบทเสมหานั้นถ้าจะแปลว่าน้ำอ้อยก็อาจจะแปลได้แต่ว่าพึงเข้าใจว่าเมื่อแปลว่าน้ำอ้อยแปลได้โดยพลูปจานคือยกขึ้นซึ่งผล อธิบายว่าเสมหะจะบังเกิดก็มีนั้นอาศัยแก่กลืนกินซึ่งน้ำอ้อยน้ำอ้อยเป็นเหตุให้บังเกิดผลคือเสมหะเหตุชนี้เสมหะสั์ซึ่งแปลว่าน้ำอ้อยนั้นบัณฑิตพึงเห็นอธิบายว่าแปลได้โดยพลูปจาร์เหมือนขยะศัพที่แปลว่านิพพานโดยพลูปจาร์นั้น